รังคารโลโลกคือสังขารดัานโลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชามาพระจ้าหกชั้นพรหมโลกได้แก่รูปรูพรหมที่หกชั้นและอารมณ์พรหมสี่ชั้นโลกทั้งหลายเหล่านี้อยู่ได้อำนาจอานิจังเกิดขึ้นแล้วก็แพร่พูนได้แต่สรายลงเป็นยุกยุกยุกยุกยุกยยุกย ท่านทั้งหลายจงเบื่อหน่ายความหลงของตนที่เคยหลงมาสักพระพุทธเจ้าให้หัวเราะตนเองที่เคยหลงมาสักโลกภายในคือนังหุ่มอยู่โดยรอบโลกภายนอกคือนังหุ่มอยู่ชั้นอื่นชีวิตอื่นพระพุทธเจ้ามนุษย์โรคได้แก่คนทั้งหลายเทวโรคได้แก่เทวดาทั้งหลาย ผมว่าโลกได้แก่ผมทั้งหลายชัดโลกได้แก่ศัตว์ทั้งหลายรวมกันเข้าทั้งมนุษย์โคกระบือมาเป็นต้นอยู่ด้วยความเป็นทุกข์โมกุฏิเจ้าแต่มันเคยชินมาแล้วพอลืมตัวเป็นเป็ น, ปนมันเป็นพระหุรกรรมกรรมชินโมกุฏิเจ้าเท่าทั้ทงหลายจงอยากยินดีในโลกท่างปวงซักทานห่อยขอให้กายท่านร้า ย, าายขอให้เวียน ปฏิบัติหน่อยค่อยกลายปฏิบัติหลายค่อยเวีนค่อยเขาซูพันานรักเหนรักทั้งหลายจะเข่าซูพันธุ์านมัดแม่บารมียังอ่อนอยู่เข่าบ่ได้บามีแก่สามะเนี่ยเขาจะเข่าบ่อยมัดนักที่อื่นศาสนาอื่นก็คือกันถว่าห่วงกันสัมพันธ์พ่านมดศาสนาพุทธยาะปองพันธุพานไว้ได้ศาสนาอื่อนย่อบ่ได้เพราะยังหนาอยู่นึกาคือยังสวนเข็มบ่ได้ สาวผ่านยันหูอาบายยมุกทุกประเภทเป็นมนุษยบัตรพระพุทธเจ้าลูกหลานจะฝากกันไปเห็ดเนาะพอเห็ดมาพอแห้งแล้วเจ้าไดมาขวานลูกฝวนเต่าพระพุทธเจ้าลูกเต่าลูกหลานเิมากสำคัญว่าสลาดก็พอมันบ่ิอไรได้ไวสันพอด้ประสบการณ์มาเนี่ยมันมีตะกีบหายไ้หมดช่างนั้นมันดีพ่อกระ บ, บอก ถ้าไนมันชัวร์พอกระ บ, บอกใครเว้นถ้าไหนมันดีพอกระ บ, บอกใครจริล่นลูกเต้าเนี่ยลกหลานเหลียญมนุษย์โลกไงว่าท่านประสบการณ์มันลงมันลงพอทิฏฐะดอกอดลงพอใดๆก็คือกันเนี่ยพูที่เจ่ามากพอลอยกูดมาสอนคําเดียวกันมั้งมาเริ่มระลอกพ่อระบอกกันเลยนักเร่งหญิงนักเร่นซื้อน้านักเร่งเรียนกันพะนั่นครบคนชัวร์เป็นเม็เกดกุญแจข่ามทั้งหมดงานในทั้งที่สอบมั้นี่ พ่อได้ประสบมาแล้วลูกเอ้ยไม่ต่คขี้ายมดัดเลยนลูกหลานเลยไยม่ใช่งาพาะก็ไปเสพแค่ไหนที่ไหนที่มันจะเลื่อนเท่าได้บอกไว้แล้วให้เว้นคันบอกเว้นสุ่มไหนแต่สุ่ม น, มนั้นจะเลื่อนคันบเว้นเไม่ต่คขี้ผายนาเดียวโบมีสารอุทธรณ์คนละมูโตเฮ็ดร้เท่าตัวฉันมูโต้เฮ็ดเก่งกว่วาเทาหมท่องคว่ำชัวกระได้ความดีกระได้เท่าได้ประสบมาทั้งสอ ง, สองด้านเนี่ยโอ้โหทเก่า น่นเข้เาแห่งศิบุรอเข้าเห่งศิบุเชียคนฟังเพื่อนว่าไรเพื่อนสูม่มาก่อนเห้าอะไรคนซัวก็ไม่จากคนดีคนดีก็มาจากคนซัวเห้ากับสัวคือกับเศรษะกิจเข้าได้เห็นวัดแล้ ว, วมรรคเข้ากับไเพวกแห้งแล้วเข้าจะมาบอกมูตัวที น, นะกกนว่าสันอัจฉริภากับไตว่าสันมาลัดตะกอนตะกอนว่าสันมาเข้าในทุกเขาเอถนาพวกแหงแล้ว มาไม่กีนาโลข้าก็ค่อยไปชาตเป็นเส็มม่ใบล็อกนาลกก็แปดมื่นไปวันเพร็จว่าเห็ดยัสัมันไปยังสั่นเห็ดังสีมไปังสีขันพเห็ดมันกับเไปเสว่าสันทงเจริญเป็นทั้ขนทงเสื่อมเป็นังี้นะมนุษย์สมัติสวรรค์สมัติภพสมัตินิพพานสมัติขันอันเป็นมนุษย์สมัติอันนั้นก็เป็นสวรรค์สมัติอยู่ในตัวอันนั้นก็เป็นภมสมัติอยู่ในตัว แกมนุษย์สมบัติอันเดียวท่านก็พ่อแล้วว่าท่นเป็นว่าพระสารนสมบัติมันแก้ไปในตัวพมสมบัติมันแก้ไปในตัวโอ้มันกระดาเนินไปในตัวนิพพานสมบัติมันกระดาเนินในตัวเขามันว่าถือมนุษย์สมบัติสวรนสมบัติมันจะถือมันจะใสหรกเอ้ยว่าท่นค่นทางเส้นเข่าเมันอกะถือว่าเด่เข้าเจ้าเส้นเข้าพิจวรณาคำว่าถือเส้นเข้ามันก็พิจารณาว่าท่านพุที่เจ้าเข้าใจว่าห้าบว่าปะทบเข็น่ะ ข้าประสบเขเปลียนมัดแล้วอารเนวกเรี่นเวียเรีมัดเลียเบือเรีนเ ร, นเราเย้ายาข้าเป็นมามัดแล้วมไม่คางแต่แรกไม่จะทุกข์ไปนาเหมือนพระจันในวันขงังแหมอาารย์คันว่าจะสร้างกับเหือนพระจําทรในวันขังขึ้นนับมทุกแต่ข้าเพีย้ยนจะกลัมาแหมอีกเลยอ่จารย์ถาไปต้องคิดแบบมันแหมแนละ้วก็ยกเขาขึ้นมาออกอะไอีกไม่ไปแหมแต่พเพื่เพ่นไงาายไ่ยาหร อ, อ, อยู่เขามีอะไูยันเทาอยอนสี่ภาษากูข่าวย้อน4ลวพ่อช้อะไเก่าเก่าซีบเก่าซีบเอสเก่าซีบสองเก่าซีบสามสายพะเพิ่งเนี่ยปเรื่องมาพวกเยอสังหกำลงังกูเทศสามปีเนี่ยขึ้นมาอยู่บาา้านห่วใ่้สี่ปีมาอยู่บาา้านหัวใต้สี่ปี ล็อบู้มหาเป็นหวนัวหน้าผู้มหาบัวข้าวยู่บันต้องผือกับมั้นล็อบู้มหาบัวเป็นเป็นหวนัวหน้าเออเป็นเป็นลบผู้ล่องล็อบผูมันอ อ, ออกจากวันต้องผือกันวอยพูเก่าพันศาหนึ่ ง, งออกจากผู้เก่าแล้วกัมาอยู่นี่ต้องพันหาต้องพันหาลอยมาอยู่นี่ก็เท่าสมเสมอเนี่ย เออข่าตัวเลยนะน่ามาแม่เนี่ยทุกข์ก็จะตายเนี่ยน้มหามาค่อนมาจะปุดเจ้ามวยอย่ยื๊สองปีอยูจะามาไดน้ำไอ้โม่เนี่จะมืนตาบางที่ตีตาบางน้องได้ฝนทังให้เป็นเขียมเพว่าผู้ข่าเนี่ะตัวหนึ่งในโลกนี้ช่วงเผอิญพันมาอยากก่อนผู้ข่าเนี่ย เพื่อนเราเรื่องทุกข์ขึ้นหลังนะพวกขาดพวกย่อมเสียงในใจเพราะท้อข่าเ่าทาา้อข่าเ่าะทาา้อข่ า, า, ขาอยู่ในฆร า, าวาสกระทุกใช้หน้าไว้ขาดหน้าไว้กองกลนเบิงเห็นกันแท้พราะจีิีมเนี่ยพราะอยากคว้าักใกล้จตายเนี่ยพราอยากคว้าซักใสล้ิะต้มแม่บ้านจะเสื้อเติมจังหับ เ, เขาไปซ่งเส้สายเส้ฟัว เพราะว่าเกีียวเขาเอาขั้นล้าลงไปพ อ, อมว่นที่ขึ้นมาซื้อมันเสียเที่ยวรกล้ามเงในได้เกสสิแบแบปดสิบคนเจียงตือบจียงจงลกไ ด, ด้ดีเฮออย่างคนอำนาจเมื่อกี้เมื่อกี้ผู้ไปละ่ะเสียเที่ยบกันหน้าเข้าข็มีเป็นบ้าบอกเพาว่า ว่าจ้างกันวัว น, นี่ยมอย่างกันด้วยกันลักษะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยนักจีเมสร่างงานอย่างชนะอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นชนะอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลายดาบเท่าข้าสู่พระเนพานผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เพิงดาบเท่าข้าสู่พระเนปาน ผู้นั้นละโลกแล้วไปบรรเทิงในสวรรค์หรือบราจังสั่นไปมนุษย์ก็เป็นมนุษย์สัตนสูงไปว่าแต่พูดว่าเชิงพูดว่าข้ามประสงค์ะะอะไรก็โกงกันค้ามไม่นอนกเพราะสติริชาเนีเปลี่ยอสุรกายพระพุทธเจา้านะเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมถ้าธรรมไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้เหตุนั้นจึงเขาเราจึงเขาลักกรรม พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาก็มาสอนอันเดียวกันมาเขารับธรรมอันเดียวกันเมื่อได้รัรบล่างพรบกันเลยไม่ได้เกี่ยงงอนกันเลยว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นสอนไม่ดีเหมือนเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแล้วตั้งกฎธรรมะไม่ตรงกันก็ไม่ว่าพระพุทธเจ้ามาตัางธรรมะคงกันบัดไม่ได้รับล่ากพรบกันเลยเพราะเหตุใดเพราะท่านไม่มีเกลเล็ทนะเมื่อได้ ตั้งธรรมะเข้าข้างตัวหรือพักของตัวหรือตัวเองเป็นธรรมาธิปไตยมุขคลผู้ชั้นต่ำชั้นสูงเอาไปปฏิบัติก็ได้ผลตามส่วนควรค่าของเหตุที่ปฏิบัติน้อยลรรมะถ้าทำยอมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วตามเหตุผลที่ทําน้อยลรรมะพระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสพราผู้อื่นให้กระทํำตามด้วยเพราะพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบแล้วพระองค์เองก่อนแล้วสพราผู้อื่นให้รู้ตามด้วย มีเรียกว่าคุณของรัตตนาสามอย่างทำเป็นโรกบาลคุ้มครองโรคอยู่มีอยู่สองประการความละอายตาบาบความกลัวตาบาบเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้นีนี้ความละอายตาบาบทุตจดิตโอตะประสรุงกาาลัอตอบ่าทุตจดิตทำสองประการนี้มีอยู่ในหัวใจชาวโลกแล้วชาวโลกก็อยู่เย็นเป็นถุขถ้าทำสองประการนี้ไม่มีอยู่ในหัวใจของ ชาวโลกแล้วชาวโลกก็จะไปล่วงละเมิดทิ้นห้าก็จะไปล่วงละเมิอดอาบายมุกก็เป็นเวนสนองเวนไพสนองไพย่งหยิงในโลกนี่และพระบระมศาสละหุนเอกท่ายว้วยนั่นไพ่ที่เก่งกวันพระพุทธเจ้าหุนเอกหวนก็หลอกเอาเงินเอาค้ำมาทอเก่งมาพระพุทธเจ้าเด้่ยพระพุทธเจ้าเป็นหุนเอกมู่งโตไปให้จังสั้น มันเก็บหายไปว่าเดยกจะไปเห็ดได้เข้าเห็ดมาก่อนเนี่ยสันตัวมันมันจะเริ่นนี่ท่ามันจะเริ่นไปนี่ถ้ามาห า, อ, า อ, อย่างทีเวได้ท่าที่ชอบเนี่ยเปเรียนบวกเรีนเวียเน่าเป็นนักเล่นหญิงเนีจะเป็นนักเล่สุรานะ่ยจะเป็นอิทธิสุตโตสุราสุตโตนี่เป็นขบค้นชัวเป็นมิตร่าไปเกียดขับขามทำผลงานในท่าที่ชอบนะวุทิธรรวินาเตะทานังคนมันยอมหาทราบได้ ไม่ใช่มันเล่นเลเล่นผาเล่นบัตรเล่นมือมันธรรมะาาเรื่องชีวิตในทางที่ชอบเรียกว่าสมากรมมันโตการงานชอบคือคือเว่นจา ก, กายศเจดีสามเว่นจากข้าสัต ร, ร์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมเรื่องการงานชอบสมาอาชีวเรื่องชีวิตชอบคือเว่นจากเรื่องชีวิตในทางที่ผิดเช่นอบายมุขเป็นต้นสมาสติระลึกชอบคือลึกในสิ่งที่ดี สมาสมาธิตั้งใจชอบคือตั้งใจทำแต่สิ่งที่ดีแลมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบคือเห็นว่ามีบาปมีบุญแล้วละช่วดทำดีสมาสังฆโปก็ดำลิชอบสิ่งไหนที่จะมาบวกกิเลสให้หนักขึ้นสิ่งนั้นจงเว้นซะกดำลิชอบ น้ำนี้จะออกจากกามน้ำนี้ในอันไม่ไม่พยาบาทน้ำนี้ไม่ในอันไม่เบียดเบียนกามวิตกถ้ามีมาก็ทําให้เบาลงอย่าไปส่งเสริมมันพยาบาทวิสุกตกถ้ามีมาก็อย่าไปส่งเสริมมันทําให้เบาลงวิหิงสาวิตกถ้ามีมาในหัวใจความเบียดเบียนก็ทําให้มันเบาลงเรียกว่าดํานีชอบเกเรจาร์ชอบ เบื้นจากพูดแท็พูดต่อเสียดพูดคำหยาพูดเพอเชอร์ไม่มีประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่มีประโยชน์แก่พู้รพเราพูดด้วยเราปฏิเจ้านะขอได้อันดีๆคำนี้อาหารก็เอาออกมากินย่ามไห้ก็บว่าบูดมันเป็นไอทวนทวนเนาะอ๋อคำน้หุ่ น, น, นทา่างสีปีเศ้าปีใช้ ไ, ไปไตายกับว่าเป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อเป็นคืนนะ เขาจะไปสอนเย็บเนพระองค์เจ้าห่อสอนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพ่มสมบัติเน็ฟ่านสมบัติสอนพระก็สอนเนพฟะสอนเน่นก็สอนจูงไปก็สอนหย่านโยมสอนหย่านโมก็สอนเนี่ยชมาฮาอย่างชีวิตในทางที่ชอบอับยมุกสอนเถเวนสอนพระนมันเว้นมาจะคราวาสเนี่ยเหน็ดฟ้าวัดเบิ่อจะหายไม่แข้งเหื่อแข้งแพ้ก็จะหายไม่กัดป่าซ่อนไกลก็จะหายไม่ เออเอามาดแดงกัดกันตัวได้สิแพ้ตัวได้สิชนะไอ้ดำหรือไอ้แดงสิชนะังสีกัดยาจะไปะเฮ็ดมัน้นทีหายาเป็นว่าแข้งเหงื่อแข้งแพ้คือสันเออเอากุกกี้เฮ็ดมองเสลาต้นกันเอพนันกันเอาเงินตัวได้สิแพ้สิชนะยายจะไปะเฮ็ดมัน้นทีหา ย, ยขี่คู่ที่คู่สั้นก็รัก็รับลงขี่คู่ขี่คู่ยาจะไปเฮ็ดกันเงี้ยงจะโจ๊กจะไปเงี้ยงนะสันเนี้ยงจะโจ๊งงกงใช้สามใบ ไพแจมแพต่ำเพื่อนนะแช ง, ชงว่าแฉงหัวก็จะสบายมาีกินเราก็จะกิน่อนกินกัดกัดกัท่อระพัดยังสิคว่ามันแฝบ ก, กะทีาก็แค่เห็นอยาง <c oughs> <c oughs> มันบอกแฝบตัวยังคกันที่กันทินาแล้วถามสูกินมันแฝงบอสู้จังกินเราเพ่น มันแคบแล้วคำว่าแทบสุดสิ่งนี้นาตายยังกูเก็บเขาเพเห็นแต่ยิางน้ น, เ า, า, น, เ น, น, นาเลย <c ười> เวะท่านลูกวายลูกหลานเราขึ้นกืนออกไปแล้วใสัตว์เห็ุแต่มันเสียงวะท่านแค่มันแทบสุดสิ่งนี้หนายี่งตายยังก็ไดยังก็ดอก่านมันมันแทบแต่ไหมท่นกับว่ากินก่อนอ่ฟง่ายอย่างเงี้ย ไปถามทวบานนักปกูเ บ, บงลูกมันกินบ้ากันแต่มันกินกเกลืองัดเสียหาแน่วันพวกกินก็ี้ยเกลองัดเสหายแ น, น่แล้วเาอกาลบกำหลานเนาะไม่ได้บอกเขาผู้อืน่นแล้วพวกินเหล่านี้ที่ใชเห้องกับพวกกินเหล่ า, า, า, าผู้หนึ่งผู้หนึ่งกินแดทนพทาไหนผยาบาลมากผู้ยาบาลพากินไมา่านแล้วว่ะแต่ <c oughs> ว่าท่าจะเป็นพู้ยาบาลดโดยได้นี่ะอสองสา อ, องปีหรือปีเดียวเนี่ยก็เลยตายนกก้น้งกระไดเสียดายนี่ กำนั่งพยาบาพท่ดเจ้าดายมัดกำนั่งมูเป็นลูกพ่อเป็นวาวเป็นสาวเนี่ยตายเพื่อนึงกับลูกพ่อเป็นว่าวเป็นสาวเนี่ก็ตายแบบมันเงินก็มูจ้าเหาแตู่้เดียวนี่ลูกแปดข้อลูกแปด้นลูกแปด้นเข้าเป็นลูกชุดทองมูมันเงนจ้าเห่ผู้เดียวซมนั่นกับแปดิบี่ยเพงสองข้นแปดิบ่มันน่นเพท่านพ่อ้อพ่อแม่เข้ากับแปดิบงตาย เ้าวข้าวในแปดจว้ปัวแล้วเนียแต น, นูกซือองไปนี่ข้าวผเดียวยืนตูพี่สาวสองคนมนแปดจี้ไะมันจะไปผูเอะไยมันจะกี้หายตาย่ะเ อ, อไว้เจ็บตัวไว้เจ็บตัวอย่าสิงว่าจ็บจีนได้หรือไงลูกปูนว่มันผาเรศไปผูกมันว่าถือเขาไปลูกฟังแห้งม่เอ <necessary. S 2> พระเลขว่ม okay. ันพระเลขพระผาลมืถือไปถามั่าพระปฏิวัติเพื่อฟุ่ทุกข์ก็หลูกเลยว่มันพระเลขว่ามันจะหาอุบายให้ลูกหลานเล่นเลขมิจะหาอุบายให้ลูกหลานทั้งหลายเห็นโทษได้เลยลูกกูอุบายได้ลูกหลานจะเห็นโทษได้เลยเอามาบอกอะให้วอายังที่กับอนเหรยญาติว้าหลายขันสูดถึกบาทนึ่งนั่นก <mass> ูจะให้เต็มเป็นทราบเพื่อนนี้จะกันนอกเลือนกันมือนี่แหะ แห่บอกกับันว่ า, ายังอีกอันนึงขั้นเนี่ยโมคลาลาเอ้ยสาดีพุตรเอ้ยมือนี่มันเศร้าหลายถ้าเอาบาดเอากี่ว่านมาเรียนการพระนั่นกันเ่อะสันทั้งนึงก็ไ่ได้ไปวินทบาดอา่ะมันถือ่ากไปกองนี่ทั้งนึงหมดเหตุไรสันพระพุทธเจ้าจึงเข้าลบถ้ำนั่นนั่นพระพุทธเจ้าแทรกกับพ่อ่สามารถสิเลีนเลยเข้านี่ท่าทางเก่งโอ้พระพุทธเจ้าไปเรียนอันนี้มันเสิยหายหามันจะเลิศมันก็ไ่่จะ เ, จเลิศแล้วเกิดขึ้นเขา้าอัน ไปบนบานนี่แหละไปบนบนบานเชื่อเขาห้อเโอ้ยขอให้เจ้าหวานเดรอะไรแบบนั้นกับว่าหวานอันนี้นะฮะไปบนบานอไปบนบานอร์านยูบอขอให้ห้างให้มีอะไรแบบนั้นกับว่าเดี๋ยวมันกับมีติดขีายอย่างเงี้ยอพอยยอไรโอ้สันชมาลยุตตาเป็นสู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อธันยุตตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักประสบเป็นผลให่เหตุอันนี้ ถ้มันคนเนยอนเาานย่องนี้อันเห่าถ้ามันิมบหาเหาก็บ้องหุจักอเฮ็ดจะไหเาจะจีหางสิมีหางเ้าเททิ่มฟืนจะไเพื่อแรกเอาดนกรเครื่องมากกมีจะขีดเท่าน่ะลูกหลานเ อ, อ้ยเนี่ยมึงไปพูดด้วยนั่นมึงไปพูดด้วยนี่มึงว่ได้ตัวดีมาบอกได้อย่างนี้ตัวดีว่าท่นอันตัวดีร้ลไปซื้ออะไรเฮ็ดนาจาปนเขีงแยงยูวนนนั่น เออตัวตัวมันเสียไปหมดเละก็มีใช่ตัวดีเพื่นนแม่นะกักับพี่บ้าตัวอ่าอันเนี้ยอันพวงเรียนบกกับพี่บ้าเด้อันสั้นกระก็ลุงมลงอันมึงขี้เลือครูพวการงมไว้เพือที่เห็นสร้างเราเด้อก็ไม่ใช่พี่บ้าเลยไปช่วยกันด้วหฮันอันนี้เขากคเห็นยุคกรุงเทพปนเออโตะไปเฮ็ดแข่งกับรัฐบาลมันไม่ได้เลย รัฐบาลเพิ่นเอาเงินภาษีอากอมูตโตมาเลีนเพิ่นไปเอาเงินกระเป๋าเพิ่นมาเล่นมูตโตไป เ, เอาเงินขายกระ บ, บองไปเลีนมันถือสูไว้บอก เ, เงินขายผักขายมีขายข้าวขายน้าไปเล่นมันถิสูเขไว้บอกสร้างบอกบอมีแน่อือเข้าได้ยินเพิ่นเงินว่าสิเอาชงกล้าห้องไหนน้หนิเอมาเฮ็ดอากาศชินโ น, นิขขนะี้ยเข้าุยานเขาเราเข้าห้ออกมาเรียนการพนันนี่ว่าฉัน นั่นแล้วมันที่พห้องไทยเจกุลาเด้ยว่าท่านภาวาเก๊กกรสีห้องไทยเล้าก็ะสีห้องไทยบาทนี้เลยเขาก็มาฮุบออกไปบาทเดียวนะว่าอย่าอันสุ่มเอาเงินไปเรีนประเทศนอกอนี้ได้ขี่ดังยังเขามามีแต่ออกไปให death, ha wild, ้เขาคนทั่วม MM. ีหนังสือพิมพ์ห่อไปเขาจะบรจากจักราดนั่นน่ะหรือว่ดีจะเอาอันจะเอาไฟไหม้จูดประเทศสาติมาเนื้อแล้วมันถิ่นิพหายตายความเมื่อน้องจมยึดจมห้รัฐบาลรัฐบาลกับผีบ้าว่าใช่ไหมแต่าต้สนกับผีบ้าวเนี่ย ไม่เรียนเลขเรียนาอยู่ในประเทศสามั่นเมืองขงโตเ็จง้ยมันเท็จเงสื่อจเิกนะสันพระพุทธเจ้าองค์ไหมาสอนเรันละเมื่อวานนี่อยาให้พระเป็นการบ้านกันเมืองเาบว่าไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนเขาก็เถียงตีสูบห้องอะไรแล้วนั่นพระพุทธเจ้าสอนโลกด้พุทธะจริยาทรงสร้างบารมีพระเป็นพระพุทธเจ้ายาติะจริยาทรงสร้างบารมีเพื่อสองข้อยาิ โลตัศจัญญาเพื่อสองข้อโลกเราพุทธเจ้ามีเกยียรติา่าอยู่สามโลก็ไม่ถูเป็นผู้ทู่แจ้งโลกตักาเทวมนุษย์านขึเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายนัง่งตั้งกดหมายกดหมูอกฎพักฎ ก, ฎ ก, ฎพกฎพวกบ่มองมึงข้ามสอนพุทธเจ้ามันกลับไปบวรอดี่ว่าในสังเออังชาวโลกไม่ชิ้หาประจํามึงโลกทหารกับวัดสองมี่ตำรวจก็บวัดสองมี่โซตัวก็ไม่สองมีเรือนจําก็ไม่ต้องมี่ขายของก็ไม่สองเท่าโลกเอศกับวัดมี่ น้องนังกับพ่มี่ผีกับม่วงกับพ่มีนั่นะอันนี้มันลวงละเมิดชิ้นหาชิ้นหาพ่มีมุนไอไปเอารถแมน่นบะ่นะั่นนั่นนั่นตั้งไว้ใช้ก็ตั้งไว้แช่ไหมเออสิบไปอาบจ้น้ำผ้ายนอกเอชไปอาบจ้น้ำผ้าในเพราะอาบน้ำผ้าในเขาอาบ น, าานายยา้ํา้าในขยันหล่อสร่างกายมันชกกระพกพไปฏิเสธไม่ได้เขาเปลี่ยนังปฏิบัติสินธรรมพอคิดใจมันมีกิเลสอิรินั่นะ เพื่อให้มันบันเท่าลงนั่นปฏิเสธบา่าไรตระกูลอันว่างข้างจะตั้งนานไม่ได้เพราะสถารสีตระกูลนั่นสีหางไม่เป็นไรกระซ่าหนึ่งไม่สวยหาพัสรุที่หายแล้วสองม่บุรณะพัสรุที่อคำค่าส่งมาเนี่มันขาดลงโลูมูเจาสนนะินั้นน่ะนุ่งนูนุงน่งออกสังคมว่ไรก็ น, งนุงเงียบในบ้านเฮาอันนี้ขาดแล้วว่ว า, ามว่ฝูงเตะสิ่มงมันู้คมัน เกือบม้วนหนพอสือเข้าม้มาใช้กับพ่อเข้ามาบ่ บ, บ่อเาาบบสือมาเตะถีบตะพื้นตะพื้นใส่ไปสองคมอะไรกับใส่ ย, ยนันในบ้านเทา อ, อันทรงม้วนขึ้กันะเสือม้วนหนึ่งกับว่าขาดมาใส่ออกจากสองคมมาไรเท่ากับใส่ ย, ยนันในบ้านเท่าไม่บริหน้าพัฒนสุขที่คาค่าคำคร่ า, า, า ไ, ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัตินั่นนีอันนี้อันนี้นนกระคักขึ้นกั น, นหามาในมือละหาไปใส่มือละสิบมึงดู้าห่อนมือตายก็บ่ได้แม่นว่า นั่นหงามือเนี่ยในมือแล้อยไปใช้มือแล้พันมือหัวหอดมือตายก็บอะไรเป็นไอ้คืเสื้ยวข้าวต้มนี่เรื่องเขาไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสติหรือบริรธทุศีนให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือนอันนี้สําคัญมากผู้เป็นพ่อเฮือนแม่เฮือนเป็นคนทุศีนกับกับปรยูทรับสมัติพ่อแม่ที่ปันให้ตั้งพันร้านแสนร้านกับปรยูมันเอาไป แต่ทำความเสืมาเนี่ยมันเอาไปเรนโบกมันเอาไปเ ล, น, น, เปเลนเบีย้ยผัวกับเมียก็เลีนแข่งกันนะอเขาเห็นแล้วเขาเจอแล้วลูกหลานเท่ามีที่ดินอยู่เจ็ดสิบล้านเดี๋ยวนี้เฮติชี่อเลยเอาไปเลนเบีย้ยเลนโบกเรีนบัตเลีนเบอเบืตะพื้ตะพ อ, เ, อ, อ, เ, อ, อเรียบบุตรวันพญาฮัทอ่ะ ให้ีสาวจงปองอยู่อ่าพลัดแ่นมาวาขาดมีบันทุกโอขาดทุกบหันมี่พลั่นโยกับของแม่นวาแล่นกระโดดลงเหวเฉแม่ขาดตายบยังกับพลั่นแล้ววะเม่อีก็ม้องกบาไป้ด้กันแล้วมันเหมือนกบาลเลยเนี่ยพั่นก็ไปผูกข้อตายที่ขาดตายบวยั่งกระโดลระบอว่ากันโตนั่นเรียวุฒิเดียวเนี่ย อ๋อฮะนนเนี่ยหนทางขนทางเขากลับไปน้องค่ายที่ฮะเนี่ยลุดนมือวังชิบปีฮะน่ะวองชิบปีหลังฮะหนทางเขากลไปน้องค่ายที่ฮะเนี่ยที่ดินละสั้นน้มืนที่เจ่าเอา่าแล้วเน่กับไใหา้านสองล้านปวดนั่นนั่นแ้เฮฟซีซอกจังฟองขึ้นยามาเหมนซะตัวอันปูมันก็นยังมีบครคุทู้ อันเฮานะคับบ่มีที่ดินเฮ็ดกินสิบหายเฮ็ดที่ไหนลูกหลานพี่น้องเอ๋ยห้าไปเมืองไปหน้าเฮาจะไปจกจากกระเป๋าซื้อมันเสียไว้พอเฮ้าบ่มีเงินฝากขั้งกินเงินเดือนนะฝากขั้งกินเงินเดือนอ่านเงินดอกเบี้ยมันค่ายเราบอกห้ามไปเมืองไปหน้าเฮ้าซื้อถือขายแพ่งเฮ้ากับข้อนพักค้อนมีไปหน้าเฮากับซื้อของมากินมันกับยังคายอยู่เลยอันนี้เจ้าทีเอาใส่กระเป๋าไปคือยังข้นนี่ ดอกเบี้ยได้เรียน Saint ar, แล้พั่านล้านเนี่ม um ันกับป่อยบอลอดแล้วเออรอสันเอารอดว่านะนี้เขาเขาก็มามาว่าพระโลดใส่ร้งปูที่หันมาเถียงร้งปูอยากทำมันแพ้โยพวกเวียนน้ำพระสันข้าเขามาในประเทศไทยขยะมันจะมีให้เม่นาเลยพระสันขาเจะสามารถตายว่าสัมันจะได่มีที่ดินเลยพระพี่น กระจังหวาอันทวกเวียนหนามขาเจ้าตื้นในเตี้ยเพืยงขึ้นเด้ตัวไปเห็นหุ้าขี่เขาเน่ยเขาซื้อของมาไว้เมื่อตัวไปซื้อต่อเขาอีกว่าสันเนี่เขาดูขึ้นจตายนี่ว่าสันอ่าขันว่าเห็นทึ่งอนเห็นานีว่าันเขาไหวเาเข้าเด้ว่าสันฮาว่าไงอันตบตีตีตะปูหกั่สิพวกคนเล่าไปหุ่มเบิงกันบูเขา่มันชิมขดบ่หรือสิบพกขดดันเขาว่ได้ีหุ่มกันเบิงลยภาษาตะปูหอกเพาานเขาตีตะปูสามเลยว่าสันน่ เพียงเพงเีย ง, ยงาาบาลก็เรียบร้อยสันอันเล่านี่ตีตะปูเราเดียวกับไปไปเบิ่งกันอยู่อันพวกสร้างไมวสันไอ้คันว่าเขาตีเล็กว่าสันเ ข, ข, ขากัางขาออกว่าันปึ้งปงปึ้งปังปเล็ปั้ออกรามั้ั้งปั้งปัีงั้งั้งปั้งั้งปั้งปั้งปปั้งปั้งปั้งปั้งงังปั้งปั้งาั้งปั่งปั้งั้งปาเงาเร า, เราไม้งป si. ังปงปั้งปั้้งงปั้งปั้ง จีดปุดจีดปุดจ un. ีดป in ุดถุนนตัวนี้ฟังเสียงกรบโคกหลกโคลกโคกกเราหมดมือก็บไอ้พ่อไอ้่แนน้ั่งนะว่าเขากับจั๊งสูเขาอะไรเถียงป่านนั้นยังกสูเขาอะไรว่านเพราะฉนั้นเขาสือว่าเถียงอีเขาตื่นได้สี่ดอ้ผู้นา่นตรวที่ท่านทีเขาเนี่ยปูกยวนน้า่นเขาวางทีนะคนว่าขุดดินน้าั่นใสหัวกรอบแยมแยมใช่รกับขุดด้วดมือหันน้าท่านจับจับจับจับยปลูกซีงปลูกของไปขาย เงียวกับ่เงี้ยวถิ่มได้ว่าไปเงียวแกระทางมขีท้กระางหมดแลเอาไปใส่พักมาคายพวกเ้าผวกไส่กินซ้ำหมดแสดว่างี้ันเจ้าที่ท่านเขาแสว่าแสดงว่านอตืสวยยางเจ้าแสดงมัดกับว่าตายแล้วเขาเขาก็ะหางกับไม่ก็เฮาแสดงว่าตัวนี้ขี่ข้ามก็จะตายนี่แงว่าเฮาเี้เฮ็ดเอยงหยันตหเฮียออกว่า่เฮ้าไว้ได้แค่ช่วหูไม่ขิ้งมัน มัดคําชะแล้วครับเนี่ยอพระรูปตัวอ่าพระอาทิตย์ก็ลงลงสู่ขอบเขาแล้วอาจาพระรูปตัวมันกระมัดแลยวมดเหมือนเนี่สีตั้งแล้วก็ก็ขาเห็นว่าไม่พูดอดไมาจากประเทศประเทศสักคนตัวไหนมาเห็นว่ามีขาวมุ่งจหัวจากตัวหงจังมีขาวเออเอาช่านแ่งเก่าแล้วเนาะ เพื่อนกระทืบว่ามีบาบมีบุญพเพื่นเทว่ที่เป็นเป็นเจ้าโลกให้เกิดได้เปลี่ยนเจ้าโลกก็เป็นเจ้าทุกข์กันตัวเราเนี่ยอาคาพ่อคาแม่คาพระเจ้าพระสงฆ์ห่อนักหนักอากระแตกตันแตกกระเจิงเนี่ยปั่นเข่าแทกันกระพทิษนะว่านะเงินถึงมีทนายกับมาปูนอนแต่ัวมันไมีคาด้อันนี้ก็คือกันอะไรแล้วอาเงินมาข้อข อ, ข อ, ขอเขาก็เหวินเ่ยอันแต่หมุนรมหมุนล้านพ่อแม่ปัน่นไทย เอาไปจำน้าจำจองมาเรียนเรขกเรียนผ้าเรียนัดเรียนเบอร์เบอก์อ็ขักโกงมาน่ะเนี่ยอันตุ่มหูตุ่มหาเมอน่ะนั่นอ่าเออพาเมืเพิ่นมีหไม่น่าไปหาข้ากินรักษาหาสาหน้าเพิ่นกับมะกุ้ม่าสั่นทวา่อ่ะอ๋ออันทับเจ็ดสิบล้านน่ะลูกสี่ข้นหาข้นแผ่นว่าอยากเช็ดหน้าเอาไปขายช่่ะเอาลูกหาข้นน่เอาไปขาย เอาไปขายเอาเงินดชิด้านไปฝากขั้งใช่ะกายังทีง่กินไปหาทอดมือตัวตา ย, ยวันส่วนร้านเหรียญไม่รู้ละวันเนาะอันนี้ทอดมือตัวตายกายังว่าท่านห่อนอะไรเห็นเสียสิไมซื้อกรเทียมพิชซ์ซอยุ่งสิแมนบอกนั่ น, น, น, นอ่าเดี๋ยวนี้เพว่มประซันแขงกันขายที่ดินประซันแข่งกั น, ข, น, ข, นขายที่ดินกะแมนพวกประเทศเออมาเข้ามาอยู่เออ กบเนี่ยมันเช่าไ้กับบ้าคือแบบนั้นนะไอ้พวกเวียนหน้าขาเจ้าบ๊ขายได้ขนเดนี้ที่เด่นข้าเจ้าบ๊ขายขาเจ้าในช่วงนาไถ่ไหนได้บานเนี่ยเดี๋ยวนี้ว่ามันเขา้าเจ้าขายแชล้งนาไท่แด้บ้นนั่นนี่ไงสมมติวานี่น้อนี่น้อนี่เป็นเป็นด้ามดาบเนี่ยนี่เขาเขาเข็ดงอไว้นี่แล้วเนี่ย เขาเห็นงอไว้นี่แล้วยามัลุ้นมือแล้วก็ญี่ปุ่นก็จับนี้แล้วก็เจ็กก็จับนี้แล้วก็ไทยกับเล่าก็จับนี้อันนี้อันนี้เป็นดาบสองคมสามคมสี่คมหมดละเขาก็กระโดดขึ้นทั้งนี้ก็บญี่ปุ่นกับเล่าไม่มีมือรถเช็ดกับขาดมือไทยกัขาดมือเล่าก็ขาดกันที่ดินทั้งนี่ก็เยอะนะญี่ปุ่นหมดเลยอีกจะอร่อยปีงง้ึเปลูกร้านก็ไป็ีค้าเขาฮะเขาว่างชื่อแ มูเจ้าผสมที่ดินดอกมะข่ายข่อยสาโมมีเนว่ยเห็ดกับมาปัชเนี่ยปรชชาเนีหยข่อยข่อยกับให้กินดอกเมล็ดเท่ยเขาวางสนองนั่นหรองานอันนี้ว่าทั้งโลกอันนี้การว่าทั้งธรรมะสันสูงแต่ไปแนีนึงให้เป็นผู้หาความสุขในโลกมาเห็นมาเจอมาเจอบาพบบาฟ้ กับพระหันตัวหาคสูงในโลกบรเห็นก็เด so ouais ้ยขามชะเลหลวงของเจ้าของไปซะอย่างน้จะพวกมูห่ามาข่าหักเพป่นป้าถิ่มเป็นแรนออกกรมาค่าดีมันก็แรทรงออกกรเข้าสู่พระนิพพานหมดพวกเข้ามาข่าหักบาลมีพช์แจกระหานขานคายักษักษักษ์ขึ้นในโลกีตัวนั่เห็นอันนี้จังคณะกิดหนึ่งเห็นโลกรอบนึงอะโลกเติเ็มไปด้วยอันนี้จังเอ้เห็นทุกคณะกินหนึ่งก็เห็นโลกรอบนึง่ะ โลกเป็นเรื่องงทุกข์พระพุทธเจ้าองค์ไหนมาสอนนายยินดีในโลกทั้งปวงเธออย่ายินดีในโลกทั้งปวงโลกทั้งปวงก็คือทุกข์ทั้งปวงนั่นเองพระพุทธเจ้าเห็นอ น, นิจจังขณะเกิดหนึ่งก็าเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วโลกจะไปด้วยอ น, นิจจังพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายยังไม่เบื่อหน่ายในวัฏสงสารยังไม่พ้นทุกข์เธอทั้งหลายอย่ายนอนใจเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังทาสันถุงได้เนี่ย ปุตตาบอกเธอทั้งหลายเห็นทุกข์ในปัจจุบันทุกข์ในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยชาติพิทุกขายือวัดตัวทั้งต่โลกธาตุาาตุเป็นทุกข์เนอะว่าไงบริีด้ฉันว่าเป็นทุกข์เนีผมว่าเป็นทุกข์เนเกิดมากเลยยิ่มตัวว่าสันมี่ตะก่นเกิดมากกับพิไหัย้มันสินยเว่าพานสนามทุกข์นั่นแะพอออกกัดทองแม่มาับไปงพิษัันจะกลมมือหา นะมันถือว่าพานใส่ถูกคุณพระพุทธเจ้าจังว่าชาติพิพุทธขามันยัดมาเป็นศาสต ร, ร์ถูกมาท่านน้อยคอยกายท่านร้ายคให้เวรพระเจบัสหน่อยคอายกายพระเจบัสร้ายอให้เวนคอ ย, ขอ ย, ยขอ เ, ขอเขา่าโซ่พระเจ้าพานซะนี่มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารเลยวมาท้าสงสารอันนี้มันไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าของพวกเธอทั้งหลายที่เคยมาเกิดแก่เกี่ยวตายแล้วนั่นเองพระพุทธเจ้าเธอทั้งหลายอย่าเข้าใจเป็นของใหม่เลยพระพุทธเจ้าธรรมะสันสูง เ, เนี่ย อันนั้นพ่อในนอกๆนรอกอเนนี้พ <ORA> ่อด <netes S 2> ้เป็นเวียงปฏิบัติเพื่อเขาสู้พะนธพผ่านเสน่ด้เดียวเนี่ยมรดิมาแข้งดีแข้งเด่นเดนกันอยู่ในวัระสงสารนี่ได้เดียวเนี่ยอันหาอยู่หากินเสมอนี่ยหากินทา่งบริสุทธิ์พ่อในแรกปฏิบัติเพื่อเขาสู้พันธะพ่านเสน่ห์มรดิมาวัทางอวดมีกันอยู่ในโลกอันนี้ได้เดียวเนี่ยแต่ว่าองคสั้นว่าเข้าใจว่าไงถ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างสั้นนด้ว่านีทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตา พระชอบเลี้ยงแลดูลูกไม่อิ่มไม่เบื่อทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูจมูกเลี่ยนกายใจเพราะสัตว์ทั้งหลายไม่ยังไม่เบื่อไม่ไหน่ายจําพวกนี้จําเป็นก็ต้องมาเป็นที่ฆ่าความหลงของตนอยู่กับทะเลตาทะเลหูทะเลจมูกทะเลลี้นทะเลกายทะเลใจธรสมะสัมสูงเอาสัมสิพนจากกิเลสหาสว่อดีตคืออะ ไ, ร ค, ออไอครคือกองทุกข์ที่ล่วงไปอนาคตคือกองทุกข์ที่ยังไม่มาถึง ปัจจุบันคือกองทุกข์ ua, ท, ทีก <ana> ่กำลังเป็นอยู่เธอทัางหลายรงทิจารณาตามมาจริงเมื่อคิดใจของเธอสูงศีลสมาธิปัญญาของเธอก็สูงขึ้นไปด้วยกันเจริญว่างค่ะพระพุทเจ้าคุบหนูคุบหนูคุบหนูคนร่มละคนคุบหนูมันหมือนคุบหนูคุบหนูเลี้ยงหน่อยร่มว่าคุบหนูเอาเลี้งน่อยร่มว่าคุบคุบหนูหนูไปใช้พระสนมหนูไปใช้พระสนมคุบหนูคุบหนู หนูแลนไปใส่กองหนึงนี่คุบหนูเพระท่านบ่นะหนูหนูไปใส้คุบหนูก ง, งนึ่งเนี่คุบหนูเพราะท่านซ้นบ่ น, น้อยๆลมหมาว่าคุบหนูคนน้อยกันพูดเถ่าลมหายางพระอรหันตเพิ่นออกมาแนล่ยเพืดอนออกจากคุกได้ พระรหันออกจากขุกโกรกอันนี้ออกไปแล้วดี๋างนี้มูอห้าวติดคุกเกิดขุกเกิดขุกแก่ขุกเก็บขุกตายขุกโรคุกโวดคุกหลงนตัวมือห้าเกิดมาได้อันนั้นตังตื่นติวไม่แต่ไหนลองเหลี่ยมหลงหองบันตายโควรตายแขนข้อมูอห้าอยู่นี่ยขุกแก่ขุกเก็บขุกตายเอาเอาคิดเอาขอแขนงอแขนค้อยมันปุ้ยเป็นเลยอันนี้เพเอะ มันบบฟุ้ยเพราขาดเป็นแหละหอดมือตาอยเหมนนั่นแล้วพระพุทธเจ้าช่งเสริมหรทร่งเสริมโลกรถขีตีติแต่ผููดย่อยยับไปพระพุทธเจ้าว่าจะช่วงเสริมเด้ให้สอนนะพี่อย่างนั้นอานิจจังทุกครั้งอนัตตาความก็ล่วงห้ใจเขาออกอคำพูดใดที่พูดปอนคำพูดนั่นก็ล่วงไปแล้วพูดอยู่วั น, วนยังค่ำก็ล่วงไปวันยังค่ำนั่นคืออนิจจังอนัติยะนึกขึ้นแล้ว ก็ล่วงไปพูดออกมาแล้วก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั่นก็ล่วงไปในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นก็ดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั่นก็ดับไปปัจจุบันเธอทั้งหลายจงพิจารณาตามเป็นจริงซักเธอทั้งหลายจะได้เบื่อนนายความหลงของตนทําสันสูงเลยขีดสันสูงสมาธิสันสูงวันมันไปนํากันเนี่ย ขันปัญญาสูงศีลก็สู ง, ส, งสมาธิก็สูงอืขันปัญญาตา่ำศีลกต็ต่ำสมาธิกต็ต่ำไปนํากันเนี่คือเฮ้านี่ยแหละขันนาตาแก่กับสกุล ร, ร่ากาย ก, กัแก้เบิ้นหว่าอย่างไรคือพวกเ้าขันไหวมันแก่มันก็แก้เบิ้ทั้งนวนทัน้งเบือกมันศีลคือกั น, นกับศีลแก่สมาธิไปแก่ปัญญาไปแก่หนักเธอทั้งหลายอย่าง ย, ยินดีในโลกทางปูงเธอทั้งหลายอย่ายเพลินในโลกทางปูงเธอทั้งหลายเพลินในโลกทางปูง ก็คือเธอทั้งหลายเพลินในลุ่นฐานเพลิงนั่นเอ ง, เองถ้ายังไม่พ้นจากกิเลสทั้งปวงเธอทั้งหลายอย่าไปนอนใจเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังพรุทธเจ้านี่ธรรมะสันสูงเลยเนี่ยเออธรรมะเจรวญระบาดรงต่อพระนิพพานมืดครบทแผเมือนที่ประเทมาเกิดขันมดธรรมะเจรวญระบาดเพื่อได้เลี้ยนนโมจบองก็พระหาเรี้ยนนโมชบ นโมพระหันนโมแปลว่าน้อมนอเนี่ยน้อมน้อเกิดโน้มากเกิดแก้เก็บใจน้อมน้อมเกิดโน้มาโลภมากโกรธมากลงนโมพระสุวันนอบน้อมว่ดเรียนเลขเลียนพระเรียนวัดเรียนเบื่อวัเสด็ด้หลวงละเมดศิลหานังนโมพระอนาข้ามิวัเสด็ดอยาไม่ราคะโทสะนันังทั้งเต้าวัดบาดทรงตพันธพัธวัดปัจจุบันพระสวันปัจจุบันยักา้ามีนาามีอรหัน ปัจุบ hey. ันพระราหันพ้นจากเกียนเมื่อแล้วนั่นนั่นั่นนั่นั่นคำแต้ละว่ระวบาดส่งต่อพระนิพพานทางนั้นเดี๋ยวเดียเอาเอาศาสตร์าให้พระนางเว้ยพฏิสันฐานขารวตาผู้ใดเขารพปฏิสันฐานผู้นั้นประพฤติใกล้พระนิพพานโดยแท้เลสกวโรมศาสตราเออเออแต่ก่อนมาก่อนก่อนนเออเอามามาลุ่นนั่งแท่นทีเนาะ เออบุตรธรรมโอสัง้อโทษธรรมโอสถข้อเดี๋ยเดี๋ยวหนังสืออันทําเป็นของกลางบ่เอามาให้ยบ่ถ้าเป็นของกลางเอามาให้ยไปอ่านไปเอาหปฝากไปง่อมพูดไดสามารถิอ่านจบจะค่อยเอาบ่สามารถิอ่านจบเอาไปที่งไปสั้งขยะก็บ่เป็นเอาอยู่ละแกบุขคลก็มุ่กีนคดีกับการพ้น่ัวฟ้องอย่างเพื่อรักษาธรรมเนียมไว้ให้ลูกทศรุ่นหลังศาสที่เป็น พระเวทชั้นดอนเคยในห้องในหายหาลูกขาเต่าเพชรองค์พระพุเ้เนเจ้าในลำบากอาชายพวกข่าวเป็นบาปตกรงมเนอ้อสันตัวน้าประชาชนดีหออน้าพิมพ์ภาคเป็นปพออาภัยพระองค์เจ้าเขาสู้พิมพภาคน้ามนเป็นพิมพ์ภาก็เลยเป็นพระทหารแลว้วพระผู้เเจ้าก็เลยเป็นพระทหารแลว้วคือพอผูกเว็นผูไฟกันเนี้ยกัยังมาเป็นทับเนี่ยมของศาสนาพุทธ ธรเนียมพระมีเวนในไพ่ธรรเนียมพรให้จองเว้นจองไพ่กันคพือเบื้องต่เทวทัดโอ้ยได้เฮตุผลพระเจ้าหลายแล้วอาจารยจึงได้แผ่นดินสูบนี่อาจารยอันซูมันเหลือตะไลไปนี่ทุกขารจะขอถวายพระ อ, องค์เจ้าเด้อ่าจารยนัรั่งยัางสีเนี่ยว่าเป็นพระประเจกนี่เป็นอย่างพระเทพปทัดจังสิได้่ว่าเป็นพระประเจกเลยเพราะสางวาริเมฆมาแเนี่ยสองอสองไขย่างแสนหมหากับสางบาริเมีพระประเจกมาก เร ไ, ได้ศิาเวนพระพเจดเหตุนั่าันจึงเป็นตัวภาษาลีบุธได้น่ะนี่วังพริกบังขิงได้เนี่ยบั้งโอ้นี้บางสาตาได้เนียจะไปนิมนตนพระเวทชันดอดขึ้นมาเลยตัวได้พระบาลมีเหนือภาษาลีบุธกับเสือ้อภาษาลิบุษเป็นอจุตราชสีได้ยุสามาุนจริ่นเมันนั้นอจิแทหรือเป็นตัวมันจะไปขอเ อ, อกาการหาลาบีกับลูกเพรากับคนนี้คือก็เน ก่งพรท่านวัดนะวันยังนเไปขอเอาลูกพระนี่ยนว่ามึงยังหนีวะท่านการได้ไปยูไปเห็นกับนักฝาามันจะเป็นมงคลดัวนี่บังสายตาว่านบางพิงบังเิียงเพื่นเดินทางมากที่ไปนี่ว่อนเทเวศนดอนขึ้นไปชู่เมืองว่านอ่าพระบารมงสีสันใสใสพุขามากวะ่านก็เลยเสื้อฮะเนี่ยภาษาญีุ่ธนเป็นอัจุตรับสีได้สมัยหมนั่นเลยเื้อ เบีเ้ยงเจ้าสียสันพระผูธ้ธนั่งฟางพระปัจเจ ก, กมันเหนือไปเลยได้เหรอวัดนั้นเหนียบไล่มาตัวผู้สาวอได้นั่นอันนี้มันมีเห็นได้ผู้าวดานของพระพุทธศาสนาวัดน่นอันไห้สิว่าดีท้าพระพุทธเจ้ามันจะมีเห็นโรกนหลงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นศาสนาเอกสั้นทิเลี้ยงของโลกทุกยุค ท, ทุกสมัยในตัวรับที่อื่นเป็นเมืองขึ้นของศาสนาพุทธพระเจ้า บารมียามย่ากแกกับเล่มมากเรียมใช้สร็จแลมันยังอ่อนอยู่สุดท้ายกับเล่มว่าเรียมใส้สาศาสนาพุทธบัดจังสี่งใออกก็มาจากาศาสนาอื่นมาจากสนชัยปริภาชกมาเรียมใสพระพุทธเจ้าเขาละปาถนาเป็นพระโมกคราตสารีมุตตมาหนึ่งแต่าครับขังพระเจ้าอนนอกวัทัศสีผลอนนอกวันทัศสีชนุตโตโมปัตโตโมลกัปตโยตนาลาโทราสารสี พุมตตโรตตาสัรอสมโสติภโรทุชาตโตเปโลกะโกฟีทัตถีนาลาโสตธาทตกโกรรมทัตถีตมุรทิสตัวตมุโรเกติตัจาโรมุราชารโโตวิปิจานุโคโมิสปิโตสัาเมะโพจะคาจะโกกะกูสันโตจะวะโกนากรมโนนันจังกัตะโพสัมปนโคตโมสักยะปุงคาโมจุมาจุ๊บจิ๊บเเก่าพระองค์พระพระที่เก่าจ้าพระองค์ เราเน่มันว่าเป็นพอถึงชุกเก้าพระองค์ก็ม้าเป็นสาวกบางซ้าบางขัวพระโคดมเนี่ยมันก็ท่ายไว้แล้วเนี่ยอู้น่ะพระโคดมคนละอนาคตคนละมูขเจ้าที่จะเป็นอยู่ที่จะเป็นสาวกงซ้าบางขัวพระโคดมเนี่ยน่นเปนบัสนาของมูเจ้าเถิญยังเถงญย่านั้นเถิญข้าวมาแล้วก็ยังได้ไปไปเรือมไซนี่ผ้าสกน์เนี่ยยังมร่วงมหาพระพติเก่าเนี่ยเพื่อเฮ็ดใครเป็นเยี่ยงยาง มันบันดาลให้เป็นอย่างย่างของผู้อื่นอานี้แล้วมาเลียนภาษารีมุิมเก่าพระองค์นะพระพุทธเจ้าชื่อว่าอยางไหนช่วยชนะเมีพระพุทธเจ้าชื่อว่าอือมาญาปู่พระพุทธเจ้าชือว่าอย่าือสีหนุยาพระพุทธเจ้าชือว่าจยงไือกัญชนาทวดพระพุทธเจ้าชือว่าจยงไือโอกาขลาดมีมดพ่มภาษาพระบารีมุสลิมีมด บุตรนางสาดีเรียกตามในนี้ว่าสาดีบุตรโมกขันีเรียกตามในนี้เรียกว่าโมกคันลาขันีบุตรนี่าเดรักที่อื่นสาดกันนะออมาถามกับข้าทกับหัวงอะกันนี่ยนั่นเราก็คือจะเงื่องหางโอบันชิงไหนดีกว่าดีกันตัวช่งไหนพดีว่าดีมันกับพอดีเนี่ยชิงไหนดีว่าพอดีมันกับพถิี น้ำเอียงพราความค่กันยกชำชาคตินรำเอียงพบาะความไม่ชอบกันแยกโทสาสติน้ำเอียงเพราะเขาียกโมหะสติน้าเองเพราะกลัวแยพยาสตินักติสี่ประการนี้มันควรนภพระพุทธเจ้าเขตยรับนะวัาอันนี้ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเขตรับแต่วัดเนี่ยไฟจะประเทศดีพระพุทธเจ้าเาที่เทธเก้งปานก็ตามเลยมนำไรไฟรับกระตามเล่มกลางพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพิ่นเทธไปหมดแล้วนั่นนั่นเรื่องซัวเพิ่นกระพานมัดแล้ว เรื่องดีเพื่นกับ่านมัดแล้วเพื่นจังได้มาสอนเน่าเนื้อโลกเน้ทุกยุคทุกสมัยเน่าเรียมไสศาสนาับพระโคดมก็ะเทวกาวเรียมไสศาสนาอื่นๆเหมือนกันเพราะเป็นคำสอนอันเดียวกันเนี่ยเมื่อในเพชรกันจักขี่เลยมาตรสาุอริยราชีคือการมัดพระพุทเจ้าทั้งหลายทุกสมุทยัยในรถมัดทุกเป็นของความควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นของควรละ มักเป็นของควรเจริญคือใตเสีขาคือศีลสมาธิปัญญานี่รธดเป็นของควรทำให้แก้งหน้าเทศอันเดียวกันมัดนั่นไม่ได้ด ว, วดดีต่อกันเลยพระพุทธเจ้ามัคือคนหมายคนมูกนพักคกกกปพวกเล้วเอา้าข้าวโรกเข้ามีศีนหาบริบูรณ์มึงดูสงครามว่าจะใส่แบบนี้ทหารตำรวจก็มีไินเสีเตแตกยังกะบอกี้หละนั่น นี่สินหามันแบ่นีมันกนวนไหวใช่ผมเ น, นี่ยตัวนาหนักนะนั่นนั่นเห็นบ่กเอ่อควบพิดวุ่นไหวอยู่เสมอแล้วมันก็ออกจากสินหาต้ไปวุ่นไหวกันอยู่เสมอท่ันเช่าโลกมีสินหาต้นไม้จะตั้งหลายกินที่แตกีหงตั้งจระเพียงงบประมาณแล้วระศรีอากรก็พ่อแล้วนนี้ตั้งอ า, าไรกับวายุขันมันม่จากอายต่อสินหาแหละทําให้โรครบาลคุ้มครองโรคสองอย่างมีสองคอซะหน่ะคุ้มครองโรคพระพุทดเจ้า ควาะอายต่บาบความกลัวต่บาบเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้เรียกว่าเินี่เนี้ความะอายต่บาบโอตบะกระลุกกลัวต่บาบมีคำสอนประการเท่านั้นจะปกครองโลกได้พระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มายืนยันยังสังนั่งนั่งมีพระพุทธเจ้ามีคำสอนพระพุทธเจ้ากีดขวงยึดซื้อเล่โรกจังหวะพ่ออยู่อะไรฮ่อนะส่าสั่นเสียงร้องไห้เสียงสาบเสียงแช่งก็เต็มโลกอะคุณป้าคนลุงคนหนูคนปู่คนณย่าคุณตาคนยายคนพระคุณครู ทำไมดีหรอกหรือออกมาจากไหออกมาจากอาุยอัโอโนโน ส, สทุกรั้งพลังของพร ะ, ะนัน่งขันโว้มีพระพุทธศาสานาแสบแฉ้งก็ได้โลกเียเสียงสาบเสียงแ ง, ง้งหา้ากินตั๊บหา้ากินป่อท่าินโครากินแนวมึงออห้าแดดท่าต่ำมึง่ายเน่าตายเหมนมึงเสียงก่อยเสียงจงมเต็มในโลกออกินของโลกเป็นยังไก็กินเหม็นแฝังบางสันได้เสาบาันนี่น้ำกินคือมาน้ำยังไง กะน้ำเลือดน้ำหนองน้ำสกปรกส้วมอะไรนั่นมม น, นั่น น, น, นี่มีพระพุทธเจ้าขววงยื้อซื้อได้ไม่ศาสนาพุทธขวงยื้อซื้อได้มันจังค่อยๆประทังประทังประทงว่า น, นั่นนั่นนั่นขุนพ่อคุนแม่แต่จังไม่เออขุนปูขนยาคุนตาขนง่ายแต่จังไม่นขนมีพระพุทธเจ้าศาสนาโมเมคำสอนพระพุทธเจ้าขววงโลกด้เนี่ยระเพาะปันโลกมารอะไรสิวา่าจังไรสั่ ตัวได้แขวงก็กัดกั่อยก่ย <the> ิ่งยิงยิงเนี่ยกัดกวาวอังสอมแะบ่เนี่ยพ่อเดี๋ยวบางนาบางตากันได้ก็พ่อไม่ปราศรานพุทธนี่เนียนั่นนั่นการตั้งกฎหมายกฎหมู่กฎพระกฎพวกของเศร้าโลกมอมมองมึงคำสอนขอพุทธศาสนานีมันกลับไปบลอกซเก่าเนี่ยล้อมองแล้วบอกาอีทานเบังให้จังอาบน้ำเมันชกกระบกรงเนีร่างกายปฏิเสธว่าได้เบังจังห้จังรักษาศีล ก็เพราะคิดใจมันนี่เกลียจริงเกียเท่าจังไห้่านรักษาศีลภานาเพื่อเสียลดตำแหน่งเกลียดลงอาบน้ำก็ลดตำแหน่งความกอบกสวมมอ่เพราะไหบันเท่าไปเพราะประทางปรทางรักษาศีลรักษาท่ากันเท่กันเพื่อสิยลดตำแหน่งเกียดเมื่อไห้มันดือดึงมากเมื่อไห้มันมีอานาจมากเอาธรรมะเขามาให้อยใจแต่ธรรมะพระพุทธศาสนาบอกไ่ใหห้อใจผู้ใด กับผู้นั้นก็ไปขี่ขายีิเลสแล้วมันก็ใส่หันข้อหันกระด้งหันมันก็บอกคั้สร้างคั้นมากขืนขี้ข้อสร้างมากขืนขี้ข้อเป็นเวลาเน่บังคับลงอันกิเลสขืนขี้ข้อขี้ข้อใจเขาโม่เฮาโมมีศีลบมมีธรรมเนี่ยมันบมมีกังเว้นกังคืนมาขี้ยหันแล้ววนเนะมันใส่หันขอหันย้อนแลน้ํามันอันใดบ่อน้ํามันไหนดีไม่จังแน่ว่ะโมมีเน่มันบอกไปขาก้นมันบอกไปรักของสื่ เป็นทุกข์งอนว่าสันแต่เขาจับ่าอะไรกับเป็นทุกข์ใจโยนนี่นัดนักถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศา ส, สนาเหมือนกันคําสอนแต่ละวรรบาตตรงต่อพระนิพพานทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับบรารมีแก่กล้ามาแล้วหรือไม่เท่า น, นั้นเช่นนโมพโระสวดาบันนโมสักตาคารนี่ไม่นโมแปลว่านอบน้อมนโมพโระสวดาบันนอบน้อม ไม่หลงทางไม่เสียดายร่วงละเมิดสิลหาไม่เสียดายร่วงระเมิดอามาจมุกไม่เสียดายอยู่ดงคงกรพันไม่เสียดายอยากกระถือเรดียามดีไม่เสียดายอยากค้าขายสร้างผ่านเครื่องผ่านหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตเป็นเรื่อสัตว์เทศตัวข้าวเป็นอาหารค้าขายล้เมานค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระสวดา์วันไม่เสียดายร่วงละเมิดเลยสิ่งไหนไม่เสียดายร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจเราไม่เสียดายตรงลุยหลุม่านเพลิงมันหนักใจไหมมันไม่หนักใจเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ามัน ไม่มีประโยชน์เลยมีแต่โทษล้วนๆความดีคนดีทำในง่ายความดีคนชั่วทำในยากตรงกันข้ามมูดคูดมะแรงวันกินง่ายแต่มะแรงพึ่งมันไม่ฝันเออเลยนี่ <c oughs> <c oughs> ง่ายของไก่ของมันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคาสอนในใจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคาสอนในพระศาสนาหมด เชมทิศจะไม่กี่ล้านล้านก็ชื่อไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวฉันใดคำสอนใดใดก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ได้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่ก็เพื่อเชื่อก็และไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเรียกว่าอริยสัจธรรมหรือเรียกว่าอริยสัจคุณเชื่อมในทางลึกซึ้งเพื่อให้คำหนึ่งในหลายทางห้ามน้องห้ามน้วยน้องคลองเมืองบางต่างๆ ไร้ลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวฉันใดคำสอน ใ, นใดๆก็ไร้ลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเลยเรียกว่าอาริยสัจคุณเหนือโลกเหนือสองสารลัทิใดๆคาสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคสอนพระพุทธศาสนาหมด แต่ทำไมเขาจึงไม่มาเลื่อมใสนับถือเพราะบารมียังอ่อนก็จำเป็นํำไปเสียก่อนถ้าบารมีแกกล้ามาแล้วก็จะมาเลื่อมใสพระพุทธศาสน า, าทั้งนั้นจึงจะเข้าสู่พระนิานได้เช่นสาธีบุตรโมกขันลาเป็นต้นออ ก, กาสนชัยปริภาชกมาแล้วจึงมาเลื่อมใสศาสนาพุทธ จึงสำเร็จพระโสดาบันเห็นอันนี้จังชัดสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับสูญเป็นธรมรมดาเออครับเข้าใจแล้วสำเร็จพระโสดาบันเลยโมคคราสาดีบุตรสร้างวารมีมาแต่ข้างพระเจ้าองค์ไหนมาแต่ข้างพระเจ้าอโนมทัศนสีอโนมทัศน์ีชนตุตมโม ปัโมโรกปัทโโตนารโทวราสารถีปตมุตตโรสัตะสาโรโซเมโทอปติภุกคโรอสุชาโตสัโรกักโวเยปิยะสัตถีนาถุอาสาสัตถีกาลนิเนโกธรรมสัถีสมุนโตสิทธะโตตมโรเกติโสชาวรตัโรภุโสชาวราโรภุโววิปัสจานุปโมสิกีสภะหิโตสัทเวสภูสกาญโงกักุสันโทสัตวะหูโกนาขมโนรันเจหูกัสสปโสัมปนุโคตมสัคยะปุงโขบส 1 5 1 6้าสิบหกสิบ็ดสิบปดสิบเก้าพระองค์ของเราพระโคดมนั่นนั่นถึงอย่างนั้นก็ยังไปเลื่อมใสพวกสนชัยปริภาชกที่ไปเลื่อมใสสนชัยปฏิภาชกนั้นมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะจะได้ไม่สงสัยว่ารัตที่อื่นดีกว่าพระพุทธศาสนานั่นนั่นนั่นนั่น ที่พระบรมศาสดาไปเรียนกับไปเรียนภาวนากับอราลาธดาบทอุสกาดาบทรามาบุตรนั้นมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์เพราะมันไม่ใช่ทางตัทจรูนนั่ น, น, นเวลาท่านเป็นพระบรมศาสดามาเนี้ยก็จะได้เอาออกอ้างเออเอินทางนี้มันใช่ทางตัทจรูเออก็จะได้เป็นพยานของท่านอีกเหมือนกันทรงทุกกะกิริยามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ ทุกการกิริยาเอ้าปากกินลมหรือทําทุกกากิริยาเราได้ทําเหนือพวกท่านแล้วพวกท่านจะภาษาอะไรอย่าไปทําเลยนั่นมันมันเป็นประโยชน์ต่อเมื่อพระบรมศาสดา ท, าทัศลุแล้วเป็นพยานอิเชียด้วยเหตุแค่นั้นเมื่อ ท, ทัศลุแล้วจึงนึกมาหาอ阿า拉าดาบทอุตกะดาบทรามบุตรก่อนแต่ได้ทราบข่าวว่าเอส้นชีวิตไปแล้วเก็บวันเชียดายหนอเชียดายหนอ ถ้าเรามาถึงก็จะได้พระโสดาบันว่าอย่างนั้นอ่ถึงสมาบัติเ็ดสมาบัติเบ่แปดแล้วทำไมจึงไม่ถึงพระโสดาบันเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ามันเป็นโลกรีอยู่ยังไม่ถึงไตรสนาคมนั่นเพราะตรสนาคมยังไม่เกิดขึ้นเหตุพอไม่สมประสงค์แล้วก็จึงเดินไปหาพวกปัญจวัคคีย์นั่นน่ะนั่ น, น, น คำสอนพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้ลบล้างพอรอบ อ, อกันเลยคุณพ่อคุณแม่เอ๋ยอีพ่ออีแม่เอ๋ยเอสาธโมชนันตโนพระธรรมรรเป็นของเก่าถ้าพระธรรมไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้ ทำมีอยก่อนเราจึงสามารถรู้ทำได้เหตุนั้นเราจึงเคารพทรรมพระรามศาสตนะไมใ่ใช่ว่าเราสำคัญตัวอยู่เหนือธรรมทำที่เราเว้นเราก็เคารพเว้นทำที่เราเจริญเราก็เคารพเจริญนั่นนั่นองไหนมาก็มาตั้อริัศย์สีตามเดิมทุกสมุทัยในโรกมักืงทุกเป็นผลของสมุทยัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิด นิโรธเป็นถผลของมักมักเป็นเหตุให้ถึงนิโรธที่นี่ท่านมาเทศธรรมาจากกระเวัฒนาสูตรสำเร็จพระสวสดาบาลพระโกนทัญยะยังกินจีเสมุดทัยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับสูญเป็นธรมรมดาก็ถึงพระสวสดาบาลเห็นอันนี้จังชัดเมื่อเห็นอันนี้จังชัดก็ต้องจะเห็นทุกชัด เหมือนกันก็ต้องจักเห็นอนัตตาชัดเหมือนกันเพราะมันเป็นเป้าเดียวกันคือเป้ารูปเป้านามนั่ น, น, นทีนี้มีปัญหาสอดเข้ามาว่าทำมมจักกัปวัตตนสูตรนั่นครบรสิขาหรือไม่ก็อัถังขิโกมาโคสมาธิสังกปวาจากรรมันตัวอาชิววาญโมูสติสมาธินั้นมันก็คือไตรสิขาเรา ด, ดีนี่เองใช่ไหม มันก็คืออธิศินสิกขาชิขาคือศินยิ่งอธิจิตตะชิกขาชิขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาชิกขาชิขาคือปัญญายิ่งกลมกลืนกันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนั่นนั่น น, นสอนแต่ละวระ บ, ราบาัดครบแปดหมืนชี้พระธรรมมาขำขันหมดผู้บา ร, รมีแก่กล้ามาแล้วท่านเขามาเทศมากเทศนิดเดียวเท่านั้นเช่นพระพาหิยะบา ร, รมีแก่กล้ามาแต่ชาติก่อนแล้วเออ นี่มนพระบระมาศ า, ศาตราเทศพให้ก้าฟังด้วยเออเดี๋ยวนี้เราตถาคตกําลังบินถบาทอยู่ไม่สมควรแต่พูดไปตามกอนมันเฉยแต่พอมองเห็นก็รู้แล้วว่าอ่าโยมคนนี้มันจะแตกชั้นพระธิสมบัติสี่เป็นพระหันในขณะนี้แต่ท่านรู้แล้วแต่ถ้าท่านก็พูดไปตามกอนมันเฉอยอเดี๋ยวนี้เรากําลังบินถบาทอยู่ ก็จริงอยู่แต่บางทีพระบรมศาลาสิ้นลมฟานเดียวนี้ก็ได้บางทีเกล้าสิ้นลมฟานเดียวนี้ก็ได้เออถ้าอย่างนั้น<ม>ก็ไม่ยากเนอเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นครับพอแล้วนั่นนั่นนนนเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าดอกบัวมันจะบานแล้วนั่นเออนั่นนั่นทำคำสอนแต่ละบทละบาท ส่งต่อพระ涅槃ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับผู้บรารมีแก่กล้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้นเหตุนั้นปุ๊เพจักกตะปุญญตาจึงมีไหวในพระพุทธศาสนา บ, บุคคลผู้ได้ทําขอความดีมาในปางก่อนนิสยาปฏิโยนิสัยผู้ได้สร้างความดีมาในปางก่อนปุรชาตาปฏิโยก็มาสร้างทับขึ้นอีกงั้นหน้ามันจะเต็มตุ่มเต็มไหาแล้วมันยังเหลืออยู่คู่เดียวเท่านั้นก็มาทักใส่แล้ก็เต็มแล้วนั่นนั่นนั่นนันนนนน ดอกบัวสีเหล่ามีแต่ขั้งพุทธการหรือขั้งนี่มีหรือไม่ขั้งนี่ก็มีอยู่ดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูม เ, ม, ม, เ ม, มเต็มภูมิดอกเสมอนน้าก็เสมอนน้าเต็มภูมินั่นนั่นผู้ดใดภาวนาอะไรก็ดีหมดมันก็ขึ้นอยู่กับบรารมีของแต่ละท่านละคนที่แก่กล้ามาเนี้ยคาว่าเป็นได้สักว่ารู้เป็นได้สัก็เห็นตีความหมายว่าอย่างไงคือไม่ยึดถือผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคล ไม่ยึดถือว่าเราเป็นผู้รู้นั่นไม่ยึดถือผู้รู้เป็นเราไม่ยึดถือว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตมันก็ข้ามทะเลหลงไปแล้วอวิชชาตันหาอุปท า, านก็แตกก็เจองไปณที่นั้นเองนั่นนั่นพาสิทบทเดียวลูกระเบิดอันเดียวตูมลงเลยเพราะปัญญาแก่กล้ามาแล้วนั่นนั่นน่นผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วมันก็เพียงเดียวไปเลยโบราณโบราณภาคอีสาน หมอลำดีพระคับนบอกเพียนไัหรอกนะแต่พ่อพเดียงในรู้แล้วเนี่ยพวกกาญจนบุรีพวกพวกภาคกลางฟังไม่ออกหรอกภาคกลางฟังไม่ออกนคนที่มีปัญญาไม่ต้องพูดมากพูดแพล็บเดียวเขาก็รู้คาว่าอย่างนั้นล่ะที่พระบรมศาสด า, าพูดมากไม่ได้มากเทศยอยู่สี่สิบห้าพรรษา เทศองค์นั้นอยู่ที่นั้นเทศคนนี้อยู่ที่นี้แล้วก็เอามารวมกันไว้เฉยๆแต่ถ้าเทศมากก็เรียกว่าทีขาวักหรือมหาวักถ้าเทศขลาดกลางก็วัดว่ามัชทีมาวักถ้าเทศขนาดชั้นเขาเรียกว่าจุนละวักถ้าเทศลงเป็นหนึ่งก็ย้อนลงมาเป็นสังขหัวลงมาเป็นโกเอกะนิบาทก็คือเทศลงมาหาใจ มนโน พ, พังคมาธรรมามนโนเสรษฐามนโนเมตธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ก็ย่นลงมาเหมือนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนั่นเองย่นลงมาหานักหน่วยเชือกเส้นเดียวขึงยาวเหยียดไปทั่วตะไรโลกธาตุถ้าจะให้โค้งึ้นมาคืนมาก็โค้งมาเป็นเชือกเส้นเดียวกองอยู่ใหญ่โตโหฐานเหตุฉะนั้นจึงยืนยันว่าปฏิบัติห น, นันชโยธมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอนแงนคอนเคลนเลย พผู้นั้นจะไม่สงสัยพระพุทธศาสนาเลยปัจจุบันนิสัปัจจุบันสมาธิปัจจุบันปัญญารวมคนกันแลว้วเอาปัจจุบันเป็นพยานเอกเอาเป็นตัวประกันเห็นความแก่เก็บตายในปัจจุบันแก่เก็บตายในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยจะเอาทางหนังทั้งเขาเอาตัวปัจจุบันเป็นตัวเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวตรายสิขานะ อันที่ศีลสิขาชิกขาคือศีลยิ่งในปัจจุบันอันที่กิตตะชิกขาสิกขาคือจิจยิ่งในปัจจุบันอันที่ปัญญาชิกขาสิขาคือปัญญายิ่งในปัจจุบันกรมกลืนกันอยู่เป็นเอกนิบาตมโนภพังขมาธรรมามโนเสท่ามโนวิญญาสังฆโหแปลว่าสงเคราะห์ลงมาเป็นหนึ่งศีลห้าถ้าไม่ล่วงละมิดก็มีศีลตัวเดียวเหนี่ยรั้งอยู่่ททีี่ที่ใจในปัจจุบัน คือเป็นเชือกห้าเกลียวเหนียวกันอยู่ในปัจจุบันถ้าม่ล่วงละเมิดสินแปก็เป็นเชือกแปกเกลียวเหนียวอยู่ในปัจจุบันศินสองรยยี่สิบก็เหมือนกันศินในโลกุตระก็เหมือนกันศินแ บ, บ่งออกเป็นสองโลกิยศีลโลกุตระศีลโลกิยาสินต่ํากว่าพระสวดาบาลลงไปเป็นโลกุตระโลกุตระสินโลกุตระสมาธเิเป็นโลกิยาสมาธิเป็นโลกิยาปัญญานับแต่พระสะวสดิบาลเป็นต้นไปจนถึงพระอนาคาจนถึงพระอรหันต เป็นโลกุระศีลเป็นมหาศีลเป็นโลกุระศีลปัจจุบันพระสุรดารัปัจจุบันสรากคาีปัจจุบันพระอานาคามีปัจจุบันพระราหันจะเอามาเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันพระวจีปัจจุบันพระสมมาธรมพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันก็ไม่ได้พระมียานสมัยยุทธ์ต่างกันที่พระบรมศาสด า, ศาทรงเทศนาวิธีมหาฉลาดอาถรร์มาก พระมหาสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากพระบรมศาสตรายกย่องแต่ถึงกระนั้นก็ไม่เชี่ยวพระบรมศาสตราพระอนุรุท ธ, ธะเข้าฌานเก่งทันพระบรมศาสตราแต่ก็ไม่เชี่ยวพระบรมศาสตราแต่พระบรมศาสตราเป็นผู้พรงพระมหาฉลาดเทพศสนาวิธีทุกครยกย่องในสิ่งที่บุคคลที่ยกยก่องแต่ว่าเก่งกว่าเราท่ามนมาได้พูดอะไรที่ไหนเนี่ยนั่นพระสีวารี เป็นผู้มีลาบมากก็ไม่เชี่ยวพระบรมสารดาพระโมกคลาเป็นผู้มีฤทธิ์มากแต่ก็ไม่เชี่ยวพระบรมสารดาเก่งกว่าเราท่านมาได้ยินกันไว้ในที่ไหนใช่ไหมนั่นนั่นนั่นทังเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะควรพิจารณาทั้งนั้นเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ย ว, ย ว, ยวพวกพวกพวกคุณจะกลับเดี๋ยวนี้ใช่ไหมพักไหนนะ ท่าัใดที่นี้คือเียนอะไรก็ถามมาไม่ถามเพราะไม่สงสัยไม่ถามเพราะไม่สงสัยในข้างพุทธการก็เหมือนกันถ้าใครจะถามค่าก็ถามค่าซักพระบรมศาล า, าเวลานี้เป็นเวลาน้อยแต่ไม่มีผู้ใดสงสัยถามเลย เพราะท่านเราอนั้นถึงทำอย่างต่ำก็เป็นพระโสดาบันเหตุนั้นจึงไม่กราบทูลพระบรมศาด า, า, า, าเลยในเวลามหาปริพานสูตรใกล้จะเข้าสู่พระนิพพานน่ะมันมีในเรื่องอีกเหมือนกันอันนี้ล้วได้ยินแต่หลวงปู่อ่อนหลวงปู่อ่อนว่ายอย่างนี้ทหารดีโคดีกระบือดียอมตายคาเอก ทหารดียอมตายคาสนามรบพระดียอมตายคาธรร ม, มาตยรบปู่รบปูบป่อ่อนรบปู่วนทัศน์ทูสานทานังธรมาธานังชินาติให้อะไรเป็นทานก็ไม่ให้เทให้ทำเป็นทานให้ทำเป็นทานชนะทานท่าปู่วงเป็นห่วงบุตรทิดาเกรงว่าจะปฏิบัติไม่ชอบธรรม พระบรมศาสดาเป็นห่วงพระราหุลเกรงว่าจะหมุนไปทางโลกก็เลยเอามาให้พระาดีบวชซะก็เลยได้เป็นสมานีราหุลได้รับยกย่องสองประเภทหนึ่งเป็นพุทธะชิโนโรถสองเป็นผู้รักใคร่ในการศึกษาตื่นขึ้นมาก็ไปกรอบเอาเดียนมาพระพระพระพระาหุลอายุเจ็ดปีขอให้ข้าพระองค์ได้ฟังเทศเหมือน เม็ดหินเม็ดทรายในกรอบนี่เถิดนะพระราหุลศาสนาพุทธมันเป็นศาสนาพุทธเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นพรหมสมบัติเป็นนิพพานสมบัติเต็มภูมิแลว้วเอออเาของน้อยแรกเอาของใหญ่เอาวัตถุนิยมแรกเอาอุดมคติคือพระนิพพานวัตถุนิยมทําขึ้นจากอะไรจากดินน้ําไฟลมแตกไปเป็นดินน้าไฟลมเหมือนกัน อุดมคติคือตัวศีลสมาธิปัญญาที่เป็นโลกุตระเรียกว่าอุดมคติถ้ามีอุดมคติเป็นนายหน้าหัวใจอยู่แล้ววัตถุนิยมมันดึงไปเองถ้าไม่มีอุดมคติเป็นนายหน้าทรัพย์สินที่ได้มาก็เป็นทรัพย์สินภายนอกที่ไม่บริสุทธิ์ผลของกรรมก็ตามมาหานั่นนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวก็เดือดร้อน ชับที่ได้มาในอุดมคติเป็นนายหน้าคือโลกุตระรับชับของพระโสดาบันก็เป็นโลกุตระซับพราะท่านมาได้ไปช่อโกงมานั่นนักนั่นนัน่จำก่อนนั่นลงมาเอาเป็นประมาณไม่ได้ทุกเอาเผากินแต่พอเจอกล้างก็หมดหนทางใช่ไหม <laughs> <laughs> เหนเนะ <laughs> บือ่อหลวงปู่ไม่มีใครอยากจะถามเลย ลูกปู่พูดว่าฮะหัวเราะก็เบาพอตัวเราอยู่หัวแต่ยังไม่ผ่าตาดเหัวเราะไม่ได้เนอะหัวเราะอะก็ออกมาเลยแต่ลูกปู่ไม่ได้สติแล้วเทวดาขายลงปู่เทวดาขายมาให้ได้สติเลยเพราะเขาเอายามาเฉีดลูกปู่ก็มืดหน้ามืดตาเลยไม่เห็นหนนเลย เงียบเลยไม่เข้าใจตายแบบไม่ฝันพอรั่วตัวก็อยู่ข้อแก่นตายแบบไม่ฝันะจะลงสู่นรกหรือไปเป็นเปรตเป็นผีไม่ทราบแล้วเพราะมันไม่ฝันเอเงียบเลยหลวงหลวงปู่เทพคุณก็ให้ตายอยู่นั่นให้เป็นเปรตพระผู้จะก้ อ, อยู่นั่นท่านก็พูดไปตามท่านพูดพูดไปตามก่อนไม่เฉยเหรอ ท่านพูดไปตามกนมันเฉยแต่ท่านรูดดีหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศหลวงปู่มหาปัญญามากวัญญาเก่งเราไปบ่นให้ท่านที่นี่ท่านก็จะดุเราใครมาให้พ่อของเรามาอยู่ที่อั ต, ตคัตเราพูดอย่างนี้พูดให้ท่านลำคาญใจใคร ให้พ่อของเรามาอยู่อธิอัติคัดจะให้พ่อของเราไปสะพายบาดวิ่งรอบภูเขานี่จริงะว่าเด็ดเดียวมันก็ว่าเย่งเก่งเราพูดอางนั้นเพราะท่านเด็ดเดี่ยวมามากแล้วจะให้พ่อของเรามาทําแบบนี้มันไม่ถูกใครไปทําผิดให้พ่อของเราได้นี้ออกจากมาแล้เราพูดไปบ้ า, บาๆเฉยๆเราแต่ท่านจะมาปากเราอะไรนี่ <laughs> องท่านเออแกถึงเพียงนี้แล้วยังมา ามาหาอุบายเด็ดเดี่ยวให้ลูกๆสันหลังหลานเป็นคติอยู่หนออันนี้เทพให้แผนดินแผนแผ น, แผนดินไหวแล้วทีนี้นี่เราแผนดินไหววิชาแผนดินไหวปฏิบัติจนมาถึงขนาดนี้แล้วยังมาทำเด็ดเดียวให้ลูกๆหลานหลานเห็นเพื่อมาให้ลูกๆหลานหลานติด นวัถุนิยมและอุดมคติอันใดอันหนึ่งเลยแล้วก็เกิดปีติขึ้นน้ำตาไหลเลยเรานึกอย่างนั้นที่มันก็ต้องกระเทือนมดนี่และกันเทศใหญ่กระเทือนเลยแปดสิบเก้าสิบแล้วยังรักษาลีงลายของตนไว้อยู่ค่ายๆครับว่างูเหลือมไม่ไม่ยอมตายคาเลือดองหลวงปู่เทศ เทศให้ไตเรากระากฟังข่าวนี่เรานึกอย่างนั้น mm. เนาะเกิดทั้งแม่ทรสจิตเราก็เดียวเาตาไรเ อ, อเกิดทั้งแม่รสจิตถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นห่วงลูกหลานอยู่เกรงว่าลูกหลานจะทิ้งวิเวกวิวากเรียกมาทําเป็นเรื่องอย่างเกรงว่าลูกลูกหลา น, ลานจะลืมตัวเพราะวัตถุนิยมมันมากแล้ว ทุกวันนี่ทีนี้เขาก็มาถามหลว ง, งปู่เหมือนกันหลวงปู่หลวงปู่ทำวัดดีๆอย่างนี้จะไม่เป็นปีดมาอยู่นี่หรือเขาว่าให้หลวงปู่เหมือนกันอพวกเด็กน้อยเขาว่าให้หลวงปู่เหมือนกันเออพ่อ ม, มาโลกเทวโลกมันสวยกว่านี้ลกูกหลานเ อ, อ๋ยมันอยู่ใต้อำนาจอเนจจังหลวงปู่รู้มันแล้วถึงจะดีเดน่นสักเพียงไหนก็ออกมาจากธาตุดินมันก็พังลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเอ่า อันนี้ยังเป็นของนอกอยู่ดอกเทวโลกคอมมโลกมันยังดีกว่านี้แต่หลวงปู่ก็รู้ว่ามันอยู่ใต้อำนาจอันนี้จังแล้วมันก็รบกันหมดแล้ออ่างนี่เขาก็เลยไปไม่ไหวนึกขึ้นมาก็ล่วงไปแล้วพูดออกมาก็ล่วงไปแล้วเรียกว่าวาจีสังขารเรียกว่าจิตตะสังขารพระบรมศาสดาบัญญัติรูป เจตสิกนิพพานนิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่พระนิพพานรูปจิตเจตสิกนิพพานใจเป็นนามธรรมหรือไม่ใจเป็นนามธรร ม, นนมถ้าใจจัดเข้าในนามธรรมใจก็เกิดดับเป็นใจเกิดดับเป็นเร็วนักสมาธิ ก, ก็ดีปัญญาก็ดีก็รวมพลอยู่ที่ใจมนุษผู้ฟังธมาธรรมาเอาใจเป็นตัวประกันมีปัญหาสอนเข้ามาว่า พระทหารรักษาจิตหรือไม่พระทหารไม่ได้รักษาจิตเพระจิตขององค์ท่านไม่มีกิเลสท่านจะรักษาทําไมแต่พวกเราไม่รักษามันก็ผิชยิงขิ้ใช่ไหมถ้าพระทหา์รักษาจิตอยู่พระทหารก็เหมือนคนคุมนักโทษเพราะเกรงว่านักโทษจะมาทําอันตรายแก่ตนด้วยเกรงว่านักโทษจะรักหนีด้วยเราจะมีโทษพระทหารไม่ได้รักษาจิตถ้าพระทหารรักษาจิตพระทหารก็ต้อง ทกตายเพราะจิตของท่านไม่มีกิเลสท่านจะรักษาทําไมใจเป็นสักว่าใจไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิตตานุปัฏนานทำเท่เป็นกุศลหรืออกุศลที่มาเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทำนี่ก็สักว่าทําไม่ใช่สักบุคคล ต, ตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุปัฏฐาท่านมีมหาสติมหาปัญญาเหนือความหลงไปแล้วความหลงจะมาที่ไหนจะขี่ช่างสู่บุรีมาจากประตูใดล่ะ นนั้น yeah. เพราะทำลายอัตวาทุปาทานแลว้วอัตวาทุปาทานเป็นจอมพลของอุปท า, านทั้งปวงการอุปท า, านถือมันในกลางทิศทุปาทานถือมันในทิศทิศและพระทุปาทานถือมันในสินพราะอัตวาทุปาทานทำลายอัตวาทุปาทานแตกกระเจง ด้วยมหาจะติมหาปัญญาแล้วอวิชชาตัญหาอุปทานกำภพชาติชราพระญาติมรณะโสกเบเทวทุกขโทรมรณะอุปายาก็แตะก็เจิญไปนะที่นั้นเองไม่ต้องเรียงปฏิจจสมุปบาทก็ได้ที่พระองค์เรียงปฏิจจสมุปบาทสังขารดับอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับอายตนะดับปัตตะเวทนาตัญหาอุปทานภพชาติชรามรณะโสกเบเทวทุกขโทรมรณะอุปายาดับ เป็นอันว่ากองทุกทา้งมวลดับด้วยประการอย่างนี้นั้นพระบรมศสาสดาเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดและเพื่อให้สมภูมิของพระองค์เดี๋ยวนี้เรายกอราหอนดูดูโซ่ที่มันคล้องคอเราอยู่นี้ตัดปลอกไหนขาดมันก็ไปได้ไม่จำเป็นจะไปทุบทุบปลอกใช่ไหมนั่นเทียบให้ง่ายๆนั่ น, น, นเอาจะถามสอดเข้ามาอีกว่า ที่พระองค์สําเร็จพระหรหารแล้วไปเสวยมุติสุขอยู่ที่อัชาบาร์นี้โคตรก็ดีราชาญตนะก็ดีแล้วก็ที่ไม่เกตก็ ด, กดีสะมุตจจิเลียนก็ดีแห่งและเก็บวันเยตวันเป็นสี่สิเกาวันนั้นพวกเราบัญญัติว่าท่านไปเสวยมุติสุขก็เพื่อเป็นบุคคลาทิฏฐานเพื่อให้รู้จักความหมายแต่ไอท้ทิเท้พระบรมศาสตร์สดาสำคัญตัวอยู่ในที่ใดใครจะไปรู้ได้ เพราะเป็นพุทธวิสัยพูดกันเพื่อให้สมมุติมุจจากความสมมุติเฉยๆที่ว่าพระอรหันต์มีอยู่ในโลกเท่านั้นองค์เท่านี้องค์ในสมัยขั้งพุทธกาลก็พูดเป็นบุคคลบุคคลอุปรับคติเฉยๆพูดเป็นบุคคลาธิษฐานอธิแทพระอรหันต์เสียบว่าอะไรจะมาอยู่ในโลกมันมีแต่สังขารในกองทุกข์นั่นนๆๆนนั่น่นั่ น, น, น, น, น, น, นใชไหเข้า <c oughs> ใจไม้มเจนี่นั่น พูดเป็นบุคลาธิษฐานเห็นนั่นจึงมีบุคระปัญญาติบุคลโรประพติสติกโถปรมัถะสตอโสบุคโรประพตินะสติกะถาปรมัถรถรตถนณเตนวัตเตวัตเตเพโยนะอคือบัญญัติบุคคลเฉยบุคคลที่เป็นโล ก, กีและเป็นโลกภะอะไรจะแค่รารานผีว่าอะไรจะมาอยู่ในโลกนั่นนั่นนั่นนั่ น, น, นพูดเป็นบุคลาธิฐานเพื่อให้เข้าใจชัดเช่นพญมะกะใครไปแก้ ก็ท่านก็มาลงท่านว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูญย์ไม่ถูกนักเลงดีที่นี่ไปถูกพระมหาสารีบทเออท่านเข้าใจว่าพระมอ่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ท่านเข้าใจว่าขันห้าเป็นพระอรหันต์หรือไม่อย่างนั้นพระเจ้าข่าท่านเข้าใจว่าขันอื่นเป็นพระอรหันต์หรือไม่อย่างนั้นพระเจ้าข่าถ้าอย่างนั้นท่านยืนยันว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ มันจะไม่ผิดหรือท่านจงหาพระอรหันาหาในขันห้าดูดูเอา้าผมจะให้เวลานี่พรยาวกาโ ก, กหาขัน 5. หา้นาหาพระอหันในขันห้าหาในธาตุดินก่อนอผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมามหัวใจตับฟังผื่ไตปอดไข้ใหญ่ไข้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่ธาตุดินไม่เห็นพระอรหันเนี่ยธาตุดินไม่เห็นแล้วเนี่ย หาผร l a h นในธาตุน้ําดีเสลน้อเลือดเงือมันข้นน้าําตาเปียมันน้ําลายน้ํามูกน้ำไขข้อน้ํามูดนี่ก็มีแต่ธาตุน้ำไม่เห็นเส่แล้วหาผร l a h นในธาตุไฟไฟที่ยังกาให้อุ่นไฟที่ยังกาให้สุดโฉมไฟที่ยังกาให้สุดโฉมไฟที่ยังกาให้กระวนกระวายไฟที่ไปเขาเขาอาหารให้ยอยก็ไม่เห็นผร l ห h นเห็นแต่ดินน้ําไฟหาผร l a h นในธาตุลมดูดๆทีนี้ลมพัดขึ้นฟังบน ลมหายลมเอร์ลมเลอะลมอ้วกลมพัดลงเมื่อต่ําหายลมหรือถ่ายอุจาระถ่ายปัสสวะลมในท้องนักไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวเส้นเอ็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ไม่เห็นพระหันหาพระหันในธาตุดินก็ไม่เห็นหาพระรหันในธาตุน้ําก็ไม่เห็นหาพระรหัน์ในธาตุไฟก็ไม่เห็นหาพระรหันในธาตุลมก็ไม่เห็นเอ้าหาพระหันใน ในนามนามขันสี่ดูดูเวทนาความสวยสุขทุกอารมณ์อุเบกขาเวทนาหกก็ดีเวทนาสามก็ดีเวทนาห้าก็ดีเวทนาห้าคืออะไรสุขทุกโศมนักโทมลักอ็เบกขานี่ยก็มาเห็นหาพระปันหาในเวทนาสามสุขทุกอุเบกขาก็ไม่เห็นเป็ น, น, น 3, สักว็ทุ ก, เ, ก เ, เป็น ท, กทัก็สุขเป็น ท, กทัก็กอุเบีขาหาพาระปันหาในเวทนาหก ก็ไม่เห็นเวทนาหกที่สวยอารมณ์รูปมากระทบตาเกิดความเลื่ขึ้นเล็กจักขู่วิญญาณตลอดถึงเสียงกลิ่นรสวัพถะธรรมารมณ์หกก็มาเห็นเสียแล้วทีนี้หาพรระหัฒน์ในสัมผัสหกจักขูสัมผัสทศตัสัมผัสาณะสัมผัสเชี่ยวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสก็ไม่เห็นพระัฒน์เสียแล้วหาพระัฒน์ในเวทนาความสวยสุขทุกข์เบีขาไม่เจอไม่เจอหาในสัญญา รูปะสัญาัทธะสัญญาคันทะสัญญารสะสัญญา佛陀พระสัญญาธรรมะสัญญาไม่เจอหาพระอรหันต์ในสังขารใช่ไหมในกองสังขารเจตสิกธรรมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรีกอกุศลเป็นส่วนกลางไม่ดีไม่ชั่วเรียกพยากรณเรียกว่าสังขารก็ไม่เจอหาพระอรหันต์ในเวียญาใช่ไหมอาศัยรูปกระทบในตาเกิดความลุกขึ้นเรียกจักขุวิยญาอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความลุกขึ้นเรียกโสตะวิยญา อาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความดูขึ้นเรียกคาระวิญญาณอาศัยรกลิกระทบเลียงเกิดความดูขึ้นเรียกชิวหาวิญญาณอาศัยปวดสะักกระทบกายเกิดความดูขึ้นเรียกกายวิญญาณอาศัยธรรมารงเกิดขึ้นกับใจเรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณหกอารมณ์หกก็เรียกเวทนาหกก็เรียกก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นซักเพราะรูกก็ดีงามก็ดีอยู่แต่อํานาจอนิจังเกิดขึ้นกับกาแฟปวนแล้วแสบสลายไม่เป็นหน้าที่ของพระอรหันต์จะมาอยู่ที่นี่ กมีแต่สังขารกายยะสังขารสภาพอันแก่กายลมให้ใจเข้าออกกายะสังขารก็ว่ากายยโรคก็ว่ากายยธาตุก็ว่ารูปประธาต์ก็ว่ารูปประโรคก็ว่ารูปสังขารก็ว่าหาพระนในนามก็มาเห็นท่านามังไปมาชื่อมันนามะโรคก็ว่านามะธรรมก็ว่านามะขันธ์ก็ว่าไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นดอกพระเจ้าข่า ถ้าอย่างนั้นท่านยืนยันว่าพระละหันตายแล้วศูนย์มันจะไม่ผิดหรือเออแต่ก่อนกับผมยังไม่รู้ครับเดี๋ยวนี้กับผมรู้แล้วครับเ อ, อ้าถ้ารู้แล้วถ้ามีผู้ถามว่าพระลหันตายแล้วไปอยู่ไหนท่านจะตอบยังไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงนั้นดับไปแล้วเออดี่ะดละดีละนั่นนั่นนั่นนั่นัน่ น, น, น, น, น, น, น, นท่านพิิออกจากนั้นเนี่ย ทนี่เทืกวันนี้กําลังเสียงกันยุ่ ง, ง ย, ออยุ่ยิงอยู่เสียงกันอะไรอ่าจําพวกหนึ่งก็บอกว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาจําพวกหนึ่งยืนยันว่าพระนิพพานไม่ใช่อัตตะไม่อ น, อนัตไม่ใช่อ น, อนอัตตาเป็นอัตตาเสียงกันอยู่อย่างนี้แต่เราก็ไม่เสียงกับใครหรอกแต่เราก็บอกว่าเรามีสิ่งที่สามซ่อนเอา้าทําในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่สองจำพวก ท่ายเกิดไฟดับก็เกิดดับอยู่ไม่มีกังวนกลางคืนทฝไฟไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่ไม่มีกังวลกลคืนมีทำสองจำพวกท่ายเกิดดับก็คือโลคีทำไาไม่เกิดไม่ดับก็คือพญิภานไม่เกิดไม่ดับไปไหนธาตุก็เหมือนกันทีนี่ท่ายเกิดไฟดับก็ดีใครเป็นเจ้าของทำไาไม่เกิดไม่ดับก็ดีใครเป็นเจ้าของแยกธรรมออกแล้วพุทธศาสนามีสองธรรมฝ่ายเกิดดับทำไาไม่เกิดไม่ดับมีทานั้น อ๋อทำฝายแม่เกิดแม่ดับใครเป็นเจ้าของอยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดใครไปจองว่าทำฝายแม่เกิดแม่ดับอยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดแล้วไม่มีใครไปจองว่าก็สัพเพธมาอนัตตาตินั่นเอ๊ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาแต่ควรให้เกียรติอนัตตาอนัตตาที่แม่เกิดแม่ดับเป็นอนัตตาที่ลึกซึ้งอนัตตาที่เกิดที่ดับเป็นอนัตตาที่ทื่นตื้นคนก็เหมือนกันคนที่ไม่มีเกียรติเป็นคนที่ลึกซึ้ง คนที่มีคดีเป็นคนที่ตื้นเอ้าก็เพียบอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันตกลงสัพเพธรรมานตาที่นั่นเองเออ่ น, น, นทีนี้ทุกข์กับส ม, มุทยัยเป็นอนัตตาที่ควรกำหนดรู้และควรเว้นมักละนิโรดเป็นอนัตตาที่ควรเจริญให้ยิ่งและทำให้ให้เกิดให้มีมันก็หมดเรื่องเท่านั้นใครเป็นผู้สวยพระนิพพาน กาพระนิพานเท่านั้นเสวยพระเนรพนไม่เป็นหน้าที่ของสังขารจะไปก้าวกายใครเป็นผู้เสวยสังขารก็สังขารเท่านั้นไม่เป็นหน้าที่ของพระเนรพนจะวกคืนมาเสวยนั่นนัสังขารก็ดีพระนิพานก็ดีข้าไปจ้านี้เองเป็นพระนิพาลถ้าใครไม่มาลวกข้าไปก้าข้าไปจ้าจะให้มันเกิดเก็เก็บตายเอียนว่ายใต้เกิดในวัฏสงสารพระนิพานก็มาในยืนยันด้วยสังขารก็เหมือนกันถ้าใครมาหลวงข้าไปก้าว่า เป็นของกีลังยั่งยืนข้าวพรเจ้าจะให้มันหลงเกิดแก่เก็บตายอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ทำทั้งสองอย่างก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเหตุนั้นพระบรมศาสดรารจึงว่าเรารู้ตามสังขารตามเป็นจริงของสังขารเรารู้พระนิพพานตามเป็นจริงของพระนิพพานแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสอง